เรื่องสิบประจันบาลแห่งกองทัพธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแต่ลายมากนะอย่าดูเบาอย่ามองข้ามนั่งปั๊บสบายหลับนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ได้แต่แลีครั้งเวลาไหนก็ลุกลุกเหมือนกับย้ายที่นอนใหม่ลุกจากที่เคยนอนแล้วก็ย้ายมานั่งหลับต่อ การ น, นอนหลับนั่งหลับจยู่ไปเรื่อยๆนะมันมีสมาธิเข้าใจนะแต่มันไม่มีสติสมาธิที่ก่อให้เกิดความสุขความสบายคนที่นอนหลับนั้นคือคนสงบเข้าใจไหมคนที่นอนไม่หลับก็คือคนที่ไม่สงบสมาธิที่ยังไม่สัมปยุทธ์ไปด้วยสตินะคือยังไม่ประกอบไปด้วยสติก็เลยเป็นคนหลับ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 จะไม่สามารถเอามันอยู่ได้สั่งสมไว้ซึ่งกามเหมือนกันนะคือการปล่อยตามสบายยะถาสุ ข, ขังวิหาระทะนั่งรับไม่พยายามที่จะต่อสู้ไม่หักรลบตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เทุริยาเราเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นอันตรายมากนิธาตันทิพิชมะตาอราติมตซัมมะโตอวสันติเสลิงละท่าปะโหหิ พระปัญทยโยแปลว่าอันตรายมากทีเดียวอันตรายมากทีเดียวพระหูหิปริปัญทยโยปริปัญทยโยพระหูหิปริปัญทยโยอันตรายมากทีเดียวนิทาตันฑิพิชัมตาอรติมัทธสัมมโตอาวสันติสัิงละท่าพระหูหิปริปัญทยโยอันตรายมากทีเดียวคือความขี้เกลียด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 เล่มที่หนึ่งวิในปีดกเปิดไปไม่กี่หน้าก็จะเห็นเรื่องพระฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นประทมประรซึ่งเป็นอาบัติประราชิกที่พระพุทธเจ้าตั้งอาบัติประราชิกฆ่ามนุษย์ให้ตายฆ่าตัวเองก็เป็นประราชิกอยูด้วยซึ่งก็เกิดมาจากความไม่พอใจในตนเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นกองพลที่สองระติยา ทุติยารติวิจตินั้นเพรา ะ, ะนั้นเมื่อเอากองผลที่สองที่สามที่ีมารวมกันเข้าอันตรายมากพระพุทธเ จ, าจา้าจังหวะนิธาตันทิพิสมะตาอารติมัทสัมมัตโตความมัวงเงาห้างนอนความขี้เกียจความหลับความเมาในอาหารซึ่งมีมากๆในร่างกายนี้ในสริละนี้เป็นอันตรายมากทีเดียวเนี่ย อาวะสันติสลง็งลธาพ ห, หิพรปันติโยปริปันติโยปริปันธโย ο. มีอันตรายมากพหูหิปริปันธโยไวเข้าใจเพราะงการมุงนอนนี่จะได้ดูเบามันนะทำอย่างไรเราจะเอาชนะมันมันมีหลายวิธีที่จะต้องพยายามหนึ่งอย่าพยายามหลับตา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 เหมือนกับตองมุดตึงผู้ฟังให้สงบลำงับไปเลยอย่างเงี้ยถ้าท่านใช้สมาธิท่านใช้สติไปในตัวเพื่อเราก็ฝึกอย่าพยายามนั่งหลับตาโอเคถ้าหามันตื่นมันไม่ง่วงแล้วก็หลับเสียหลับตาไม่ต้องดูภาพภายนอกอะไรก็ดูแต่ภายในใจหลับตาก็มองดูข้างในมันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรเพ่งลงไปที่ในมันเกิดได้ยินเสียงในหู ถ้าผู้ธรรมนาปนสติมันมัดจะได้ยินเสียงก่อนนะหงซ้ายออกมาก็หงขวาเสียงดังดึงดังดึงดังดึงดังเสียงทั้งหมดนั้นมันเป็นเสียงของกายสังขารเสียงของขื่นตาเมองเสียงของขื่นหัวใจเสียงภายในเสียงภายนอกความละเอียดลงแห่งเ ก, เก i, together, e bağ, ็บม <c oughs> <mul ch. S 1> ันก็ได้ยินเพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแกการงานมุทุตังจิตตังกรรมะนิยังจิตตังอุโพโสเทสุนันตินมติ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 น้อมจิตมาตรงนี้นำมาดังจิตดังอุโพสัทธังสนาติน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดทั้งเสียงทิพย์เสียงมนุษย์เพราะไม่น้อมใบเสียงเหล่านี้ก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นความสงบแห่งจิตก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้เสียงมันก็เงียบไปแล้วก็เกิดเสียงใหม่ที่แหลมตัวมากับเสียงที่นิ่มนว่นที่สดเหมือนกับจะล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเสียงเหล่านั้นเหมือนกับจะดึงดูดเรา ด, ดูจากขมองของเราลอยขึ้นไปบนฟ้าทีนี้จิตก็ยิ่งสงบแน่นิ่งกับตัวถ้ามีสติมากไม่เตืน่นเต็นต่อมาเสียงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเสียงเป็นซัพ์เป็นถ่อยเป็นคําครั้งแรกก็ฟังไม่ชัดเจนนะนั้นเขาก็เป็นคำอาจจะเป็นเสียงซาระเซะิญเจรย์ยนในการประพฤติตปฏิบัติหรืออาจจะเป็นเสียงดา่าสั่งสอนว่าทำอย่างนู้นไม่ถูกอันนีไ้ไม่ใช่ดา่าไม่ใช่ด่าเราก็ด่าคนอื่น ศาสนาชนิดมันก็มีมีมีมีออิทธิปจิยตามีพระพุทธญาณยังพูดเรื่องอธิปไตยคือความพิสูจน์ทางร้ายพิสูจนผู้อยู่ในป่าก็ดีที่รับผูดีที่แจงก็ดีเธอออกบทแลกจากเรื่องล้อมเทียนอยู่ในป่าเธอย่อมมีความประลึกว่าในโลกอสุนิวัดอันกว้างใหญ่นี่มีสมณะพาหณผู้รู้ผู้เห็นที่มีฤทธิ์มีเจโตปริญญามีที่ปะโสตที่ปะจักษุรู้เห็นได้ยินสิ่งที่เรากำลังทอยู่สิ่งที่าคิดอยู่ เราพูดอยู่แม้อยจะในที่ไกลๆแต่เราไม่เห็นท่านเหล่านั้นหรือในโลกขัานิวาสนี่มีเทวดาผูกมีที่อานาจสามารถจะรู้ขอที่เราคิดคิดที่เราทําคําที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้ถ้าชะนายเซียเราอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เป็นที่ติเตียนแก่สมณาคมแก่เทวดาเหล่านั้นเลยเราควรจะภากเพียรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกทําใดเป็นกุศลเราจะเริญทํานั้นทําใดเป็นอกุศลเราก็ละทํานั้น นี่แลเรากลับ ว, ว่าผู้ถือโลกเป็นใหญ่เพราะฉะนั้ น, นโลกเป็นใหญ่นี้ก็ยังปารบทั้งเรื่องเทวดาผู้ที่ได้ยินเสียงเราผู้ที่มองเห็นเราผู้ที่เข้าใจเราหรือเราได้ยินเสียงเทวดาอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเสียงที่เราได้ยินธรรมดาม่มีสัมมีแสงเหมือนเสียงหัวใจเสียงหื่นสมองเนเมื่อจิตเราเปสมาธิมากๆฟังเข้าไปจนไม่คิดภายนอกอะไรเลยจิตก็เลยเป็นอันเดียวเอกาทิพาโบขึ้นมาจิตอันเอกผุดขึ้น เมื่อนั้นเสียงนี้ก็แปลรูปทันทีเป็นเสียงเป็นสับเป็นเสียงเป็นท่อยเป็นคำขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นได้เพราะนั้นมันจะง่วงเงาะฮะนอนมาจากไหนมันก็เกิดอาการหายง่วงตื่นเต้นอะเสียงเหล่านี้ถ้าอย่างนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีภาวะเช่นนี้แล้วสร้างสติไว้ส่วนบนเพ่งไว้ส่วนบนไม่ลงข้างล่างหน้าน้ำข้าวมัน็่าจะเกิดภาพ ดูลมหายใจไปส่วนบนนี่อยู่เฉพาะหน้าก็จะอาจจะเกิดเป็นภาพไหลไปมุนไปเวียนไปเป็นภาพสีเหมือนปุยเมฆปุยนวลปุยฝ้ายยดน้าแล้วแต่มันจะเป็นหลังจานั้นเราก็ใช้สติเพ่งลงไปในภาพเหล่านี้ปล่อยหมดพวกลมไม้ไจพวกอะไรกาหนดน้อมจิตไปควบคุมภาพเหล่านี้สร้างมโนภาพทับให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่ทาไปทามาก็เป็นบุบบว เหมือนตกจากที่สูงเราก็ไม่ตกใจโดนต่อไปทำป้ายทรมาจิตใจเรามันก็ลืมลืมภาวะผู้เพ่งแต่เข้าไปสู่ความเป็นอันเดียวกับการเพ่งเอกระมณาัางจิตตังจิตไปสู่อันเดียวกับการเพ่งพึบลงไปนั้นเอกาที่ผาโปกิตอันเอกเกิดขึ้นภายในตรงนี้ไม่ต้องบอกเอามันจะรู้จักเองแล้วมันจะง่วงนอนมาจากไหนง่วงนอนได้หรือไม่มันก็เพินเพินอยู่ในธรรมเกิดธรรมะนันที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 สัมปชา н а กาลิโหติเธอแลเธอเลี้ยวเธอมีความรู้สึกอยู่แค่นี้รู้สึกแล้วจึงแลจึงเลี้ยวหลังจากนั้นครับสมัญจิเตเปสาลิเตสัมปชา n a กาลีโหติภิกขันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติเก่าวไปข้างหน้าท้อยกับคู่เหยียดกบเงยเคลื่อนไหวกระดิกพลิกแผงลืมตาปากคากุ้ยสร้างความรู้สึกอยู่ทุ่มเอทุ่มเอทุ่มเอ๋ยทุ่มเอ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 คิดเรื่องนังสือนังหาที่เราสวนร้องท่องบนซาตทายายหรือคิดเรื่องภูเขาป่าไม้น้ําฟ้าป่าเขาที่เราไปพบไปเห็นคิดไปเห็นภาพเห็นนั้นในที่สุดเอาสิ่งเหล่านั้นมาซับเบเมตเป็นอารมณ์แห่งสมาธิก็ได้อย่างนี้สัญญาใดสงบสัญญาใดชัดเจนก็ออกสัญญานั้นแหละมาคิดเรื่กยไหายง่วงเมื่อมันหายง่วงก็กลับมาสู่อารมณ์แห่งสมาธิต่อไปถ้ายังไงยังไงไม่ง่วงเสียก่อนนอน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 ขาดกลัวเนี่ยไม่ว่าทําสมาธิภาวนาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติไปก็มากลัวกลัวอะไรมันกลัวสรพัดผู้ที่มันจะกลัวนั้นเป็นกองทัพแห่งมารกองทัพหนึ่งเหมือนกันถ้าคุณกลัวมันจะกลัวไปหมดนั่งนั่งกลัวจะเป็นโลกอมมาภาอมมาพึกอ้าวกินอาหารขาดขาดไม่ค่อยอิ่มค่อยเอมกลัวจะเป็นโลกกับเพาะกลัวจะเป็นโลกลำใส่กลัวจะเป็นโลกขาดอาหารตาย นางนักเขา ก, กลัวผีกลัวซ่างไปแล้วนางนักเขา ก, กลัวจะซูลพันควรจะสึกไปมีลูกมีเมีย ม, มีอะไรซะก่อนพระพุทธเจ้าก็ยังมีลาหุน่นเนี่ยแล้ไม่มีลาอะไรเลยเอาไปโน่นมันก็เต็นไปทั่วไปแหละไม่ต้องไปกลัวมันซูลพันคิดไปว่าเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร้อยปีแห่งเมืองมนุษย์เท่ากับวันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาบดึงเพราะฉะนั้น ชั่วโมงหนึ่งของสวรรค์ก็ฟาดกันไปตั้งหกปีกว่าแล้วทำอย่างไรโออถ้ามันเป็นอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งบนสวรรค์ก็สี่ปีกว่าและสี่ปีหกเดือนถ้าอย่างนั้นเราเกิดมายังไม่ถึงวันเลยบนสวรรค์เราจะกลัวสูญพันไปทำให้บวชมันสักชาติหนึ่งชาติหน้ามีจึงค่อยศึกมันคิดอย่างนี้หรือคิดเปรียบคิดเทียบว่าโอ้พระพุทธเจ้า ว, ว่าวัฏตะสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีธรรมกลางไม่มีที่สุด แสนโกรธอสองไขเป็นเป็นเป็นเป็นแฟนโกรธกับอย่างเนี้ยที่เราเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มได้กินนั้นแต่ละชาติหลายๆกลับเอามารวมกันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรพระองค์หนึงถามพุทธเจ้าว่ากลับหนึมันมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้พอจะเปรียบเทียบให้ไหนว่าเหมือนกับภูเขาแท่งทึบศีลาล้วน สูงโดยดหนึ่งกว้างโดยดหนึ่งยาวโดยดหนึ่งร้อยปีทิพเทวดาเอาผ้าข้ามากวาดร้อยปีทิพเทวดาเอาผ้าข้ามากวาดจนภูเขาศิลาทึบนั้นราบเสมอกับพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าออริจินอลกาวพื้นดินเดิมเมื่อ น, นั้นแหละพอประมาณได้กลับที่นี้มีแต่กลับหนึ่งมันเป็นแฝนโกรธกลับที่เราเกิดมาจึงเป็นไปได้ทีเดียวว่ากระดูกเราก็มากกว่าภูเขา น้ำตาของเราท <|ja|> ี่ร้องไห้เมื่อพัดพากจากของรักของชอบใจบีนามานดาสามีภรรยาลูกเตาก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มได้กินก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดของเราที่ถูกเชื้อทลังไหลออกจากคอขณะที่เราเกิดเป็นแพะเป็นแกะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นโคเป็นลาเป็นอะไรต่างๆก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเห็นนั้นไม่มีใครเลยจะไม่เคยได้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกัน ในวัฏสงสารอันนี้ที่ได้เกิดแล้วเกิดอีพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราสรุปว่าถ้าเธอเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเขามีลกูกมีผัว ม, มีเมียงามๆมีเงินมีทองเป็นล้าน ๆ, ๆ, ๆ, ๆเธอพึงสรุปได้ว่าแม้เราก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตปตะชาติครั้งหนึ่งอาจจะหลายครั้งในแสนโกรกลับ เวลาใดเธอเห็นคนผีกองพีการทุกอย่างปางมองเงยเปียดเสียขาตาบอดหูหลวกเธอจะได้รังเกียจเดี๋ยวฉันเธอควรสรุปได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตแต่ชาติทุกคนเคยเป็นผี่เป็นน้องเป็นพอเป็นแม่เป็นวัวเป็นเมียกันมาแล้วเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะโูนพันพอเราเกิดมามากตอมากแล้วคนเพื่อนๆกับเราเคยเป็นพวเป็นเมียเคยเป็นผี่เป็นน้องศัตรูฮูเวนเราเนี่ก็เคยเป็นผี่เป็นน้องกัน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 ย่อมตายสังฆาเมเมาตังเสื่อโยยายังเจชีเวประชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้ายแพน้นี่ขุนพลที่หกรู้จากหน้ามันให้ดีๆต่อมาขุนพลที่เจ็ดแห่งกองพลที่เจ็ดก็มีอีกนะสัตตมีวิจิกิจชาเตกองพลที่เจ็ดนันคือความสงสัย ปฏิบัติไปสงสัยเรื่อยไปสงสัยตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่ทําอย่างนี้จะถูกหรือไม่พออระอรหันต์มีหรือไม่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยอะไรเราได้จริงหรือไม่การปฏิบัติไปนี่มันจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่มันหมดยุคหมดสมัยสงสยัยสงสัยแม้จะกระทั่งมาบวชมาแล้วเป็นพระเป็นเนตรก็สงสัยอยายกจะศึกออกไปลองมีลูก ม, มีเมียเหมือนชาวบ้านเขาถ้าไม่เชนนั้นมันไม่หายสงสยัยเอาแล้ว พ่อบวชนมโมนก็ยังสงสัยเขายังไม่เคยเพราเคยเห็นไม่มีผัวไม่มีเมียเหมือนชาวบ้านเขาพระพุทธเจ้ายังมีลาหุ่นเนี่ยพ่อมีผัวมีเมียมีลูกมีต่ามาบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาเอาอิ่งสงสัยเองสงสัยลูกคนน้นเป็นห่วงลูกคนนี้สงสัยเลยไปว่าคงจะไปไม่ได้แล้วบุญมาวาดตนะไม่สงคงมีเพียงแถวนี้บวชตอนแก่ก็ซึ้งไปตอนแก่เพราะนั้นไม่ต้องไปสงสัยมัน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 สัญญากันที่เรียกว่าวิจิกิจฉานั้นไปว่าสงสัยถ้าโซดาบันผู้เข้าถึงกาแสแห่งธรรมมีศรัทธามัมาม่นคงมีสิ้นมั่นคงมีการซีสละมั่นคงมีสติปัญญาพอที่จะทำลายความสงสัยศักยะที่ทีวิจิกิจฉาสีละพัตต์ปรามากศรัทธานในพระพุทธธรรมพระสงร์มีพอที่จะไม่สงสัยไม่งอนเงันคนแคนแต่ในนี้มันยังมีความสงสัยช่างหัวมัน สงสัยกะวางมันไว้ตรงนี้และวิจิตรชานี่มันเป็นนิวรณ์ตัวที่ห้าเอ๊ทําอย่างนี้มันถูกหรือไมอาา่อาจารย์นู้นถ่าจะดีอาจารย์นี้ถ่าจะดีวิ่งวนไปเที่ยวห้างคูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอาจารย์นี่ถันพาเราทำจังจะเดือดจะเดินถ้าจะเป็นสมถะมาหนังรับผู้รับตาเราไปห้าอาจารย์เลยที่มันเป็นวิปัสสนาดีกว่าสมถะมันชาวิปัสสนาดีกว่าตรงไปสุนิพานเอาไว้เอามาวิปัสสนาก็ไม่เกิดสมถะก็ไม่ได้ ได้แต่อุพาโตผัสทะชวดทั้งสองทางสมถะก็ไม่มีวิปตนาก็ไม่เกิดเตลเอตเตลอิอมันเป็นบ้าเป็น บ, เนบอเพราะการปฏิบัติเสียประสง์ภาษาทไปเลย่มยเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจสมถะอย่าไปเอกับวิปัตนาอย่าไปหลงของเก่าอย่าไปเมาของใหม่สร้างสติสัมปชัญญะให้มันรู้เท่าทันกระบวนการแห่งจิตใจอยู่ทุกเมื่อมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรเอาความสงสัยโยนลงไปตรงที่ความรู้จัก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 วิตกสิ่งที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งไว้ก่อนแล้วเป็นความคิดรวบยอดคิดไปทั้งตามตกไปทางตามไปทั้งพอใจไปทั้งไม่พอใจไปทั้งเปลียนที่เรียกว่าสัญญาเวทนาวิตกรวมกันเป็นแฟกเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นส่วนประกอบ ม, มาให้เราคิดในขณะนี้คิดในขณะนี้คือสังขาร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 ความหัวดึกเรากะว่าเป็นเสนาที่แปดของมานั่งนะเข้ากันลบลูคูบาอาจารย์ลบลูเขอวัดปฏิบัติเลยทำมาเกือบตายไม่เห็นมันเป็นอะไรไม่เห็นมันเกิด อ, อะไรทำความเพียนตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเข้าไปนู่นเลยไม่เห็นมันจะเห็นอะไรหูทิพตาทิพย์อะไรก็ไม่เกิดบางคนดูถูกเลยนี่คือกองทัพมารกองทัพที่แปดมันเข้าไปซิ่งสู่ในจิตใจมัคคุทําพอหลังกัน้นก็ดึก ดูถูกขอวัดปฏิบัติกาวช่วงจาบทําวินัยทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรลรกครูบาอาจารย์ก็เลยแต่พูดพูดพูดพาเราทําท่านกับเมืองกับเราเราก็บเมืองก็ขาดไม่มีอะไรจะไปดีเกินกว่ากันไหนไม่ล่ะไปเลยทีนี้หมดพังทลายหมดเลยสติปัญญาก็หมดศรัทธาก็ไม่มีชวดเอกไม่ได้อะไรอุปโตคภัณฑ์ชวดทั้งปัจจุบันชว่วดทั้งอนาคต ช่วทั้งประโยชน์อันจะพึงเห็นได้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติณาลงได้ลบลูดูมินคูบาอาจารย์ลงได้ลบลูดูมินมขะปฏิปทาเมื่อนั้นก็เหมือนตานยอดด้วนในมีความเจริญในทางมในใอย่างที่ผมนีมีหลายท่านมาหามาขออยู่มาขออาศัยเราไม่ว่าอะไรมาไม่ทันไรก็ดูทูกอุปชาอาจารย์เก่าของตนเองอย่างโน้นอย่างนี้ผมเคยไล่ให้กลับคืนไปขอขมา ในเมื่อคุณดูถูกคกบาอาจารย์อย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นความเจริญมคโควัมโพเตอธรมโมนั้นเป็นกองพลที่แปดคุณพลที่แปดของมารอีกหน่อยคุณก็ต้องมาดูถูกผมนี่อีกลบลูดูมินคุณก็จะป้ายอีกไม่มีใครดีในโลกนี้ตอนให้พุทธเจ้าเกิดมาอีกห้าร้อยองก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยถ้าคุณมีความลบลูดูมินหรือคุณมีความหัวดื้ออย่างนี้ถูกกองทับมารกองทัา ทัพที่แปดก็ไปซิงก็ไปโศไม่รู้เท่าทันเกิดความเบื่อหน่ายเอื่มละอาลบหลูดูหมิ่นแมก้กระทั่งครูบาอาจารย์ข้ออัดข้อทำต่างๆด า, าวช่วงากะทำวินยัยลบหลูไม่พอยังไปชวนคนอื่นให้ล้มไลายไปกับตนเองเป็นกรลยานามิตรให้ใครไม่ได้ได้เป็นป้าประมิตรใครไปคบก็าพากันแตกแยกสล า, ายอย่างนี้นั่นเพิ่งรู้ถักฟ้ากองทัพที่เจ็ดที่แปดแห่ง พย า, ยามาณได้เข้ามาคุกคามจิตใจท่านแล้วไม่มีทางเจริญในทําไปในสลัดมันออกไปเอากองทัพที่เก่าลาโพสิโลโกส ก, การะราบส ก, การะเสียงสัเสิญเยินยอนเว่าลาบสรรเสริญเยนเนเญเินยอเสียงยกย่องสาธุการส ก, การะเป็นกองผลที่เก่าคุ้นผลที่เก่า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 เอน่าจะบอกคนโน้นคน น, น, ค น, นี่พอบอกไปแล้วมันก็ปุ่งต่อไปว่าถ้าเราบอกในเขาถือมาเขาก็จะต้องหล่ําต้องรวยในที่สุดก็ก็นํามาถวายเราชื่อเสียงของเราก็โดง่งดังเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่โตในที่สุดสติมาไม่ทันก็ควบค่มมันไม่หยกเห็นเลขครั้งเดียวในีนักปฏิบัติใหม่ๆมักจะเห็นเลขเห็นเบอร์นี่แหละกอนนี่คือกองทัพมารกองทัพที่เก้าในที่สุดก็บอกเขาบอกครั้งแรกมันอาจจะถูกจริงๆนะ ครั้งสองครั้งตัวนี้เลดังใหญ่เลยลาบสการะก็เกิดขึ้นบางทีทุกวันนี้คนป่าห่วยเหมือนเดิเกาจะซื้อรถยนต์กันกงามมาถวายตนเองก่อนลงระเลงว่าค่านี่ไม่ใจคนธรรมดานะวางหมาดสาสดาจุย้ยตีนไม่ติดดินที่นีน่มีรถเก๋งขี่แล้วมีรถขี่เสียงเซิ้งเซิ้ยนินยอใหญ่โตแต่จิตใจก็ต่ำสามลองต่ำสามลงความคิดความรู้สึกก็เป็นเหมือนชาวบ้าน ตามปกติแล้วนักปฏิบัตินี่ในสมัยพุทธกาลก็ดีจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีพวกเทวดาพวกพญามารเทวดาในเป็นมารก็มีนะเรียกว่าเทวปุตตมารพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีพวกสัมมาทิฏฐินี่ก็ดีใจเห็นเราประพฤติปฏิบัติก็เกิดเสียงสรรเสริญเยินยอยากกาบยากแหวส่วนที่เป็นเทวปุตตมารเทวดาฝ่ายมารเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ เห็นเราประพฤติปฏิบัติเข่งคัดดีงามเลยใช่ไหก็นึกในใจว่าเราจะต้องทำลายถ้าคืนปล่อยต่อไปท่านปุณณีเมื่อทำการละตายแล้วจะได้เป็นเทวดามเหิสักมียศสัก์ยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็จะตำต้อยอับรัศมีลงถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายถ้าสมัยก่อนก็ออกส่งผู้ยิ่งมาทำลายมาเนลมิตเป็นผู้ยิง่งงดงามอะไรต่างๆทำให้ลงไหลแต่สมัยนี้ไม่ลงทุนนึกขนาดนั้ง น, นง่าย สมัยนี้ก็มาบอกเลขให้หน้อยมาให้ฝันอย่างโน้นอย่าง น, างนี้สุภีนางปสติเห็นในฝันขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาลองดูสิพอเห็นปั๊บก็หลงเลยโอ้ทีนี้อยากเด่นอยากดังมีลาบสักุลละเสียงเยินยอก็บอกชาวบา้านเป็นความพอใจของเทวดาฝ่ายมารหรือว่าเทพบุตรมารเมื่อลาบสกุลละเกิดขึ้นเมื่อนั้นความเสื่อมก็เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าลาบสักระเสียงเยินยอเป็นภัยอันแสบเพ็ดทารุณของปรมัยดั่นในที่สุดจิตใจทั้งกาะล้องระเลงไปกับลาบสักระความที่จะออกจากโลกความเบื่อหน่ายคลายกำนัดในตันหา้าลากะไม่มีมิแต่จะกำนัดไปเรื่อยๆในที่สุดเกาะดังตาวแล้วดงเรื่องดังลาวของนายนี้กรธรรมาวาทีของใครต่อใครเห็นไหมดังขึ้นมาดีๆสุดท้ายมันก็พังทลายหลงอย่างนั้นเพราะราบสักระเสียงเยินย อ, ยอ ทุกวันนี้มันง่ายมากคนกำลังบ้าหวยบ้าเบอร์อยู่ทำสมาธิไปหน่อยพบสิ่งแล้วนี้ก็อยากบอกบอกถูกครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็เด่นดังใหญ่แต่จิตใจก็เสื่อมทรามสุดท้ายก็ไม่มีความเจริญในธรงวินัยของพระอริยเจ้าเลยเนี่ยระวังให้ดีมันทำลายตั้งแต่หวัวทีส่วนเทวดาที่เป็นสมาธิเมื่อเห็นเราประพฤติปฏิบัติดีงามก็อยากกราบยากไดีใจ อาหาจะศีลสัมปันเนจิละลัทธะสมาหิเตะสมปะปปชิเตวันเทพมจาริยปารายนเนะาปะเจ้าวัยผู้มีสินอันงดงามข้าพเจ้าวัยผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นดีแลว้วข้าพเจ้าวัยทันผรีบวชแล้วโดยชอบข้าพเจ้าวัยทานผู้มีพมจันโยเบื้องหน้าที่ในขณะที่วัยเนี่ยเทวดาบางท่านก็ยังไม่แน่ใจ ว่าเราไหวในท่านจะประเสริฐสมควรที่เทวดาอย่างเรามนุษย์ผก ม, มีสิทธมีธรรมจะกราบไหวท่านจริงหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราลองดูดีวกว่าลองว่าท่านจะมั่นคงแค่ไหนพอจะกราบจะไหวเป็นสารณะของเราได้หรือไม่ก็ลองดูลองวิธีใดลองโดยวิธีเอาเล็กเอาเบอร์นี่แหละมาให้ดูสก่อนว่าทันนจบอกชาวบ้านไหมท่านจะล้มไหลกับสิ่งเหล่านี้ไม่พอมันเป็นทางนํามาแห่งหลับตกะกร้เสียงเยอหยอยเป็นที่ตั้งของความยึดมัน่นถือมัน พอบอกปับ๊บ้าไมเห็นเป็นในความฝันหรือเห็นเป็นในนิมิตในที่สุดก็ใจดิ้นอยากแก บ, บอกคนโน้นอยากแก บ, บอกคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกเมื่อบอกปับ๊บเทวดาทั้งหลายก็ทุยเท่ากันกับเราไม่มีอะไรมากกว่าเราเลยไม่เป็นอย่างนี้ความเสื่อมก็เกิดแค่พอเห็นนั่นขุนพลนที่เก้าลาโพสโลโกส ก, กาลาลาส ก, กาละเสียงเงนเยยอ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 อิสเรียยศยศคือความเป็นใหญ่โดยตำแหน่งแห่งที่ที่ถูกแต่งตั้งสถาปนาในอันหนึ่งต่อมาก็ K K ended. บริวารบริวารยศยศคือบริวารมีบริวารมากบริษัทมากมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขารบย่ยงมากต่อมาก็กิจกิตยศ เกียรติยศยศคือชื่อเสียงโด่งดังฟุ้งขอจรไปในนี้นักปฏิบัติของเราทําไปทํามาก็เลยเล่นไม่ซื่อทํำยังไงนะเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนจะได้เคารพนักถือเราจะได้มีปริวาลยศครั้งแรกก็เอาปริวารลยศสก่อนต่อมาก็เอาเกียรติยศบริวาลนี่จะช่วยกันยกย่องต่อไป หลังจากนั้นบริวารมากยกย่องเชิญเสวนต่อไปก็จะมีคนไปวิ่งไปเต้นไปช่วยให้แทนแด่เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณแต่เป็นพระสงฆ์องคจา้านะได้ชอบหรือไม่ชอบก็ช่างมันพเพราะนั้นยศที่ได้มาโดยทางไม่ชอบเนี่ยก็เป็นมารอันหนึ่งคือช่วยดลจิตดลใจให้กระสันฟันไฟแต่สิ่งเหล่านี้โดยวิธีได้ต่างๆที่มันจะมีขึ้นจะเกิดขึ้น ให้คนเขาหลงให้คนเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างโน่นเป็นอย่างนี้ตัวเองทําอย่างนีน้ให้คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติจึงมีแข็งแข็งคืมคืมตึงตึงหย่อนหย่อนยานยานต่อหน้าเป็นอ ย, นานยน่างหนึ่งข้างหล่างเป็นอย่างหนึ่งข้างนอกกบบานไว้ข้างในขมข้างหน้ากระหรอกข้างหลังกระแตะ่อย่างนี้คนทั้งหลายก็เลยมีความรู้สึกไปหลายทิศหลายทางทุกวันนี่มีหนังสือหนังสือโฆษณาพระ อริยะเจ้าตรงโน่นตรงนี้บางทีก็ไปจ้างเขาลงให้เพื <c> ่อ <oughs> จะได้ดังๆลักษณะเช่นนี้มันก็เข้ามาสิงสูจส่ จ, จิตสูดใจของเราอันนี้ระวังให้ดีเอาไปสรุปวันที่ว่าขุนพลของมารสิบกองพลให้รู้ไว้กองพลที่ยิ่งใหญ่กองพลที่หนึ่งเลยก็คือกามกามาเตปธรมาเสนาทุติยารติวุจตี กองพลที่หนึ่งของท่านคือกามกองพลที่สองความไม่พอใจให้พอใจไม่กระทั่งตนเองเป็นอุปสรรคตัณหาปุวุจติ ก, กาา อ, ตตตองพลที่สามหิวกระหายหิวจะหลอกแก่แๆไปหมดกองพลที่สี่ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นไปทั่วทั้งเรื่องกามเรื่งความอยากเป็นเรื่องความอยากใหญ่เรื่องความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น กองพลที่ห้าที่หกปันจำมังธีในมิทันเตจชท้าพีรูประพุทเติติเมื่อเงาห่าวนอนเป็นกองพลที่ห้าใช้ได้มากปราบนักปฏิบัติมานักตจนนักจนงงหัวไม่ขึ้นกองพลที่หกความขาดกลัวที่ขาดวาดกลัวไม่กล้าต่อสู้ทำไปทำไปกลัวจะตายกลัวจะเป็นโลกปราสาทโลกกรเพราะโลกความดันโอ้สารพัดอย่ยางมันเอามาโคอยู่ดีๆย่านตาย นั่งนั่งเข้าัวรจะสูญพันกองทัพที่เจ็ดคุนผลที่เจ็ดกับขุนผลที่แปดสัตมีวิจิกิจชาเตมโคทัมโพเตอธรรมโความสงสัยในปฏิปฏาทาสงสัยในสิ้นในธรรมสงสัยในพระพุธธรรมสงสัยไปหมดแล้วก็ความลบลูดูมินความปัญหาลามมกความดื้อไม่เชื่อฟังอยากแกลองของ หาเรื่องที่ตนเองจะทําอะไรแปลกๆแปลกๆอลไรกัน ล, ล, ลบลูดูมินคูบาอาจารย์กล่าวช่วงจับทำวิ น, นัยมันเกิดขึ้นมาได้โดยพยามา น, นั่นแหละเข้าม า, มาสิงมาสู่คืออารมณ์ฝ่ายต่ํากองพลที่เก้ากับกองพลที่สิบสำหรับผู้ที่เจริญในสมาธิภาวนาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทําลายลาโพสิโลโกสกาโลมิชาลโทเจโยยาโซลาฟสกัลละชื่อเสียงเสน่ห์เดินยอเดนดังนี่กองพลที่เก้ากองพลที่ 10. สิบ เกียรติยศที่ได้มาโดยทางไม่ถูกต้องยศยศไม่ใช่เกียรติยศแต่ยศอะไรก็ตามบริวารนายศก็ตามเกียรติที่ยศก็ตามอิสริยยศก็ตามยศความเป็นใหญ่เป็นโตที่เขาแต่งตั้งให้ก็ตามเจ้าองเกิดจากบริวารมีจํานวนมากมีความลงไรสตาทั้งกมดทําทุกอย่างที่เขาจะเลือกไสทํายังไงให้มันลับๆละหล่อพวกโพโพควางหมาดสาตดาอะไรต่างๆเอาแต่จะเป็นไปแหละ เรานี้เป็นกองผลที่สิบกองผลที่สิบนี่คอยทําลายผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังดังเท่าไรไม่พออยากแกดังไปเรื่อยไม่รู้จักเบื่อจากไหนอยากแกเอื้อมล ะ, ะก็เลยสร้างรูปแบบพิธีรีตองอะไรขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองการกระทำทางกายทางวาจาเป็นของตนเองขึ้นมาคนตังางๆก็ลางร้า ก, ก, กันไปกราบไหวบูชา้เาเชื่อเสียงโด่งดังเกิดเกียรติยศปริวารนายศต่อมาก็ทําให้เกิดอิสริยยศ ความเป็นใหญ่เป็นโตในหมูนะ่ในขณะในสังฆมณฑลลักษณะเหล่านี้คือกองทัพแห่งมารหลังจากนั้นก็เริ่มละลายในความเจริญทางจิตทางใจที่นี่เมื่อเรารู้จักกองทัพมารเหล่านี้แล้วก็มารู้จักสิบกองคนแห่งกองทัพมารก็มารู้จักสิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าของเราถูกพยามารยกกองกําลังอันยิ่งใหญ่มาที่เขาเขียนเป็นลูก ป, ประทําที่เราได้ยินสวดประหงสหาสมภิเนมมิจฉาวุทธานตั ง, งตครร า, ง า, า, า, งาริเมฆลังอุติตโคดัสเซนามาลังพยามารฉีช่างคาริเมฆขลังตั้งหลายยอดสามสิบยอดในละมิดแค้นเป็นพันๆบริวานเป็นเบืรนเบิร์นล้นแสดไล่พระศาตดาไลพระองค์ออกจากใต้ต้นไม้ใหม่ดีนี่ ดูไม่ได้ก็ตายนะนี่มันเกิดมาจากบารามีของฉันท่านพายุที่นี่ทําไมพระศาสดาเกือบจะลุกกําลังจะลุกขึ้นแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้เราได้หยาคาแปดกรรมเรามาโป่งลงวางลงอธิษฐานใจกาง ม, มังตะโจจะนะข่าลูจะอธิจะอาวะสิตสตุอวสิตสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเลื้อยโยก็ถามทีหลังจากนั้นบอกสั สีละมังสะลอหิตังเลือดและเนื้อในลีละนี้จะเกิดแห่งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันจะพึงบรรลุถึงได้โดยกําลังด้วยความเพีย่ยนด้วยความบับบันของบูรุษถ้าหากเรายังไม่บรรลดุด้วยประโยชน์อันนั้นถึงประโยชน์อันนั้นเราจะไม่ยอมลุกให้มันตายเน่าอยตรงนี้นี่คือคุณผลที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราวางเป็นกําลังเอาไว้คุนผลข้อนี้เรียก ว, ว่าอธิฐาน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 จำไม่ให้ดีอะที่ทานใจไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีพระพุทธเจ้าวางตัวนี้ไว้ก่อนว่ากามังตะโจจะนหฮะรูจะอัติจ่าอาวสัตตุฟัสิตตุบอกว่าแม้หนังเอ็นกระโดกเท่านั้นจะเหลืออยู่ก็ทามทีอะธิฐานอย่างนี้ตั้งใ่อย่างนี้เลือดและเนื้อจกเลือดและเนื้อจกเหือดแห้งไปประโยชน์ใดอัน บุรุษอันบุคคลจะพึงถึงลุถึงได้โดยความเพียรโดยความบากบัน่นถ้าหากเรายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีประกาศจดยืนอย่างเด่นชัดเป่าไม้อันแน่นอนพูดง่ายๆว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยทําไม่ตายให้มันดีเพราะฉะนั้นนิกกองทัพหน้าของเราที่จะประจัญบ้านกับมันตั้งใจไว้เลยไม่ต้องกลัวเอาตายให้มันตายไป บอกภาษาพัยสานพลุยหลดไปกับบักโซโซตายหนาฮ่ากินจะเมื่อตรุนบริยานดีๆตายถิ่มบวเนงตายแข้งบวจมตายแสนาพ่อให้ตังให้สุ่มเย็นตายมาแล้วไม่รู้กี่แสนชาติกี่โกดับมาแล้วเดี๋ยวตายอีกครั้งนี้มันตายไปเลยเพราะการนัง่งสมาธิเพราะการเจริญเพราวันน่ะให้มันตายรุดอย่างนี้เรียกว่าเซลดีเทอร์มิเอชันตั้งแก้มัน นี่เป็นกองทัพหน้าที่จะประจันบานนะครับมันนี่นะค่อยเข้าใจสิบคุนพลแห่งกองทัพมานก็มีสิบประจันบานแห่งกองทัพธรรมคือบารมีสิบปฏิปทาอันยวดยิ่งคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดคือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุถึงจุดหมายอันสูงส่งเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมหาสารบกก็ดีล้วนแต่จะต้อง มีธรรมสิบประการนี้แต่ดายางธรรมดาทั้งอย่างสูงสดเทวบาลมีสามสิบทัศคือสิบบวกเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกสามเท่าเป็นสามสิบมีอะไรมีทานมีศีลมีเดกธรรมมีปัญญามีคติมีสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาอ้าวลองดูเรามีทาน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 เราไม่เอาเลยทานร่วมหน้าเลยเกินมาเราไม่ใจกระเทยเราไม่ใจเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ใจเป็นพระอรหันมาตั้งแต่ในท้องเราก็มีเจ็ดมีใจมีเนื้อมีตัวมีกิเลตนะเหมือนชาวบ้านแต่จะมีลูกมีเมียมันก็มีได้ไม่มีกฎหมายมาตานไหนห้ามคนอย่างเราอย่างน้อยกับขี่ไล่ถ่ายเปย์อย่างสิ่ก็จะมีผู้เอานําอยู่ด้กแม่หงางนั่งใหม่แต่เราไม่เอาให้ออกไปเลยให้ความยากได้ให้ความยากเป็น อยากเป็นผัวอยากได้เมียให้ออกไปจากใจให้ทานอย่างนี้เรียกว่าทานเมียทานลูกพ่อทานเมียแล้กวก็าทานลูกด้วยเอาลูกเองมาได้เนาะนี่เรียกว่าให้ทานอย่างยิ่งยวดนอกจากนั้นให้ทานชีวิตเป็นทานยอมเสียสละแม้ชีวิตนี้เพื่อแลกกับทำเห็น ไ, ไหมที่เรีว่าจงยอมเสียสละทรับเพื่อรักษาอวัยวะ จะเชท่านนั่งอังคารรัตสภาษาป า, า, าลียอมเสียสละอวัยวะยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ยอมเสียสละทั้งทรัพทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อแลกเอากับธรรมะนี่กองผลของเราลุยมันเข้าไปสิ้นเอา การรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยการประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยอันนี้ก็ <c oughs> หัวเด็ดตีนขาดรักษาไว้ในเนื้อในตัวไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ขอตามใครจะยกย่องหรือจะรังเกียจเดียวฉันก็ตามแต่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ในจิตในใจ การพูดการทําว่าเราจะไม่กระทบกระทั่งจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นให้มันบีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใ จ, ในใจอยู่ตลอดการรับผิด ช, ชอบในการพูดการทําการคิดจนนอนหลับไปฝันไปก็ยังเป็นผู้มีสินมีธรรมอยู่ในฝันทุ่งขนาดนั่นแหละเอามันปานนั้นต่อมากันเนคัมมะในการออกบวชการปลีตัวปรีใจจากการมเหมือนพวกเรามาบวชอยู่อย่างนี้ แม้ว่าจิตใจของเรายัางเกี่ยวข้องยังมีความต่องการดูกับกามก็ตามแต่เราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ร้องให้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่เราก็ไม่ยอมสละเพศอันสูงสูเพศอันตำ่ำประพฤติพมจันทย์ทั้งๆด้วยน้ำตาหนองหน้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นปฏิโซตะคามีปุคโลเป็นบุคคลพูดทวนกระแสเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้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 ตัวปรีจัยออกจากกามนั่นเองเราก็เอากันอยู่อย่างนี้ปัญญาความรอบรู้ความยังรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญาอะไรพระพุทธเจ้าเน้นไปที่ปัญญาชั้นแรกเกเรตนิพเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามานิยาภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถามานิยา อริยยะปัญญาะสมณะคตโตนิเพธิกะยะส ม, มาทุกขะยะาขามณียะที่สู่ผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับด้วยปัญญาอันประเสริฐจำฉำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบเนีความเกิดความดับกิเลสเกิดได้มันก็ดับได้รู้โอ้นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วกามเกิดขึ้นมาก็รู้กามตั้งอยู่ก็รู้เหตุให้เกิดกาม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 รู้ว่าได้ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ว่าได้รู้ทางใจโอ้ใจมันรู้อย่างนี้ก็รู้ว่ามันรู้เพียงแค่นี้เราก็มีปัญญาบาลามีอย่างนี้วิริยะความเพียรคุนผลทีห่าของเราคือวิริยะผ่าเพียรแกล้วกาไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบัน่นอุตสาหา์ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ถอดทิ้งทุรนาทีทึ่งกอดฉังไม่ทึงกอฉัง เกิดอีกแปดแฝนชาติกว่าช่างหัวมันจะไม่ทอดทิ้งความเพียดเอามันอย่างนี้เพื่อรบรอยร้าวคราบน้ำตาของอาตมามาคาบสักพันชาติยอมมวยด้วยหะรหันแม้เกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขัดจะฟาฟันกิเลดภัยด้วยใจธนงตายไปมึงตายเกิดมาใหม่จะทำความเพียรอกจะสู้กับมันอีกตกนรกขมไหนจไม่เลิกในการทาความเพียรเอามันอย่างนี้ มันจะยูได้มันโยไปกิเลสเอามันไม่พังกูพับเกิดมไมัยซัดกัมันอีกสภาการณ์ฝงคามตลอดนี่รันการเอามันอย่างนี้อย่างนี้ก็คุณผลของเราคุณผลที่ห้าคุณผลที่หกขันติประมีสัมปโนอิติพิโสพระกว้านเราใครได้คิดความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอานาจเหตุผลและแนวทางความประพฤต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 บวชก็ทนบวชไปปลาพืชปลาแาจันไปร้องให้น้ำตาไหลหนองหน้าปลาพืชมันทางน้ำตาอดทนนี่ขุณผลที่หกของเรามันจะเก่งเกินเราอีกหรือไม่ฮิวห้อยังไงอดสัจะความจริงพูดจริงทำจริงจริงใจไม่หลอกลวงแม้กระทั่งตนเองอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยแต่นี่พวกเรามันหลอกลวงตันเองพาผู้ยังหนึ่งใจทำย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งทำย่างหนึ่งนอนรู้สึกตื่นขึ้นไม่ลุกขึ้นมาทำความเปลี่ยนนอนสบายแหงอีกหน่อย ลอกลวงตวเองไปเลยซื่อสัตย์มีสัจจะจริงใจกลับแล้วๆไปเติมมาชีจะลุกไปทำความเพียรหนังสมาธิเดินจงกรมพิจารณาเพ่งดูจิตพิจารณาเพ่งดูกายดูเวทนาดูธรรมโ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าคุนพลที่เจ็ส่วนคุนพลที่แปดเราได้กามาไว้แล้ววันเราเอาเป็นหน่วยหน้าอธิฐาน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 จะเรียกอุเบกขาอุาอ ป, ปะแปรว่าเข้าไปอีกค่ะเข้าไปจ้องมองดูอยู่ยานไก่ชิดรู้จักรับทราบรับรู้แล้วก็ปล่อยวางสรุปลงสู่ความไม่เที่ยงอ น, นจังรุกครั้งนาตาวันนี้กิเลสตัณหามันมีกำลังมันคิดเกิดมาในเรื่องการเรื่องอะไร<ม>ก็<ม>วางเฉยไว้รู้ไว้โอ้ี่มันเกิดขึ้นแล้ววูยอย่างนี้นี่ขุ้นผลของเรามันก็มีอย่างนี้ ด้วยเหตุนี้เองขอให้รู้จักให้ดีสิบคุณพนังกองทัพมาแล้วก็สิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพรมจะต้องสร้างขึ้นมาเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยริ้วรวงแห่งอริยยายธรรมที่เรียกว่าบรรมีสิบประการทานสินเนคขมปัญญาขันวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขา พยายามภาเพียนให้มันเกิดมันมีก็จะสมศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เป็นนักบวชตามรอยแห่งพระ อ, อริยะเจ้าไม่วันใดก็วันหนึ่งกิเลสราสวะทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปทุเราเบาบางจืดจางหมดไปสิ้นไปจางมากให้มันเลือนน้อยจางน้อยก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้พยายามไปภาเพียนไปอย่างนี้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 อย่าได้ตั้งเป้าหมายเป็นอย่างอื่นว่าเราทําความเพียรเพื่อจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพมีคนสรรเสริญเยินยอในการประพฤติการปฏิบัติของเราอย่าได้ตั้งเป้าหมายไปอย่างนั้นอย่าได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้เป็นพระอริยะเจ้าโสดาบันสกิีธาคาอนาคาอรหันยิ่งอยากเป็นพระอริยะมันยิ่งยืดยื้อยิ่งช้าไปใหญ่เลยอย่าอยากเป็นหัวมันอะไรเลย จ้องอยากอย่างเดียวคืออยากไม่มีทุกข์เมื่ออยากแล้วมันทุกข์กันมาทันทีอยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์แบบนึงอยากเป็นพระโซนะวันตะกิดท้าการนะมันทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะไม่ได้เป็นนั่นแหละทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วทุกข์เพราะไม่ได้เป็นที่เกิดว่าไม่ต้องอยากหัวมันเลยอยากอย่างเดียวคืออยากไม่ทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่ได้อยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์แบบนี้หน้าปฏิบัติที่หลับหูหลับตากัดเขี้ยวกัดฟันเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าเพื่อจะ รู้เพื่อจเห็นอะไรต่างๆเกิดความทุกมาจนในที่สุดก็เบื่อหน่ายคายกำนัทอย่างนี้เรียกว่ามีปคาหาเพ่งจ้องมันจนเกินไปปราสาสก็เลยเครียดปฏิบัติเป็นบาเป็นบอนี่เขาเรียกว่าทําแตกวิปริตวิประัาิอะไรต่างๆทั้งหมดมันทําด้วยความอยากเราถ้าจะอยากก็ขอให้อยากความทุกข์มันหมดไปเมื่อรู้ว่าตนเองอยากอะไรมันเป็นทุกข์ก็เลิกอยากตัวนั้นเสีย จงอยากอย่างเดียวว่าอยากไม่มีทุกข์เอนี่มันทุกข์เน่ยเพราะฉันอยากฉันอยากอย่างเดียวว่าไม่ให้มันทุกข์ฉันจะไปอยากให้มันทุกข์อะไรมันไปได้ไรกับฉังคัวมันพระพุทธญาณไม่ได้ชวนให้เราไปทําความเพียรเพื่อจะเป็นพระอาหารหันต์ดอกจะไม่ให้ดี ท่าไม่ได้ชักชวนให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นพ่ออรหันเพื่อจะได้เป็นผู้มีหูที่มีตาที่มีฤทธิ์มีเดชมีไม่ใช่กันพาวเวอร์สุดเปอร์นอมอนอะไรดอกในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านแสดงธรรมมีผู้ใดผู้หนึ่งฟังและมีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจแล้วป่าถนาจะบวชจะประพฤติตนตามคําสั่งสอนของท่านท่านก็จะบอกว่าเอหิภิกขุติอาโวจะสวากาโตธรรมโมมามา มาบวชเสียมาเป็นพิขุเติดทำอันเราก่าวดีแล้วสระกาโตทำเนาะสลังกนั้นท่านก็นจะบอกไปว่าพรหมจริยงเจรษะมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดสมาทุกทขยะมาทำที่สุดทุกโดยชอบอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะ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 อันโตทุกขสาอันตะกิริยายะกระทำที่สุดทุกขทําให้ความทุกสิ้นไปกระทาที่สุดทุกขโดยชอบทำที่สุดทุกโดยชอบนั้นก็คือทุกหมดไปโดยไม่ได้กลบทุกเอาไว้แต่ทําลายความทุกอันเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกแบบพระอริยจ้ทําลายความอย่างนี้ไม่ต้องอยากเป็นหัวมันเลยทั้งพระอริยเจ้าเมื่อความทุกหมดไป มันจะเป็นอะไรก็ชังโว้ะมันเอาความทุกข์นี่นะมันเป็นคูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องวัดเมื่อมีกิเลสร้อยเปอร์เซ็นมันก็มีทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นเมื่อมีกิเลสลดลงไปยี่สบห้าเปอร์ซ็นตความทุกข์มันก็ลดลงไปยี่ส้าเปอร์เซ็นกิเลสคือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละตัวสาคัญที่สุดเมื่อกิเลสลดไปห้าสิเปอร์เซ็นความทุกข์มันก็มอดไปห้าสิบเปอร์เซนต เมื่อกิเลสหมดไป 75% ความทุกข์มันก็นหมดไป 75% เมื่อกิเลสหมดไป 100% ความทุกข์มันก็นหมดไปด้วยกัน 100% ไม่มีเลือกเรนี่ก็เลยเอาความทุกข์นี่ยเป็นตัววัดระหว่างกิเลส <c oughs> ถ้ามีความทุกข์ทลายกิเลมันมีเท่านั้นแต่ความทุกข์หมดไปเทลายกิเลสหมดไปเท่านั้นความเป็นพระอริยเจ้าก็มีขึ้นมาเท่านั้นอริแปลว่าฆ่าสึกยะแปลว่าไปไ ป, ไปจากฆ่าสึกคือไปจากกิเลส อาที่นี้ถ้าความทุกข์ที่มันมีอยู่ร้อยเปอร์นตหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซนมันเหลือเพียง 75% ็ดห้าเปอร์เตเมื่อ น, นั้นก็ควรจะเรียกว่าไกลจากความทุกข์ไปยี่สิบห้าเปอร์เซนตเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตนโซดาบันได้ถ้าความทุกข์หมดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนตไกลจากความทุกข์ไปได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนเมื่อ น, นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปห้าสิเปอร์นต็ดสิห้าเปอร์เซนความทุกข์หมดไปห้าสิบเปอร์เซนตนั่นก็เป็น สกิทาคามีความทุกข์หมดไปเจ็ดสิบ้าเปอร์เซ็นตก็ควรจะเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วเจ็ดสิห้าเปอร์เซ็นคืออนาคามีแต่ความทุกข์หมดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่เราจะไปเรียกชื่อว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่อยความทุกข์มันหมดไปสิ้นไปในปฏิบัติธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอหิภิกขุติอาบจะสวาคาตเธตธรรมตวากาโตพระขวัตวาาิธรรมโม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 พระพุทธเจ้าว่าอนนาหาโลไม่ให้อาหารแก่มันอีกไม่เดิมเชื่อให้มันมันเคยมีความกำนัดนกำนัตหล่นรั่วมันกำนัดไม่ไปช่ว